สเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันหยุดที่สของเทศกาลสงกรานต์เป็นวันพระวันธรรมวัวนะเป็นวันฟังธรรมเป็นวันจันทร์ที่16เมษายนพุทธศักราช 2550เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามาวัดเพื่อมาปฏิบัติกิจที่พระบรมศาสดาพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้เพื่อเป็นเครื่องคุ้มกัน ความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเพราะความทุกข์เป็นสิ่งที่เราสามารถดับได้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ถ้าเรามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีการปฏิบัติตาม <c oughs> อย่างเคร่งครัด <c oughs> เช่นทุกๆวันพระก็ต้องเข้าวัดกัน เพื่อมาสร้างบุญกุศลบุญก็คือความสุขใจกุศลก็คือความฉลาดถ้ามีทั้งบุญและกุศลแล้วจิตใจก็จะมีอาวุธไว้ต่อสู้กับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆบุญหรือความสุขใจนี้เป็นเหมือนกับความเย็น ถ้ามีมากมีน้อยเพียงไรในจิตใจก็จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับจิตใจมากน้อยเพียงนั้นส่วนความทุกข์ก็เป็นเหมือนความร้อนถ้ามีมากน้อยเพียงไรในจิตใจก็จะสร้างความรุ่มร้อนให้กับจิตกับใจเราจึงต้องเอาความเย็นคือความสุขใจที่เกิดจากการทาบุญมาต่อสู้ กับความร้อนของความทุกข์ถ้าเรามีบุญมากมากจิตใจมีความเย็นมากมากความร้อนของความทุกข์ก็จะไม่สามารถเข้ามาเหยียบย่าทำลายจิตใจได้แต่ถ้าเรามีบุญน้อยมีความเย็นใจน้อยความทุกร้อนของจิตใจก็จะ มีมากขึ้นได้นะเพราะทั้งสองสิ่งนี้คือ <c oughs> ความสุขความเย็นใจกับความทุกข์ความร้อนใจเป็นคู่ต่อสู้กัน <c oughs> เหมือนกับที่เราใช้เครื่องปรับอากาศ <c oughs> ถ้าเครื่องปรับอากาศมีความเย็นมากความร้อนจากภายนอก <c oughs> ก็ไม่สามารถเข้ามาได้ถ้าเครื่องปรับอากาศ <c oughs> มีความเย็นน้อยความร้อนจากภายนอกก็ยังจะเข้ามาได้บางครั้งเวลาเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานเต็มที่เพราะเสื่อมก็เหมือนกับไม่มีเครื่องปรับอากาศเปิดไปก็มีแต่ลมร้อนพัดเข้ามาฉันใดใจของเรา ถ้ามีความทุกข์มีความรุ่มร้อนจิตใจก็ไม่ได้เป็นเพราะเหตุใดเป็นเพราะว่าเครื่องปรับอากาศของใจเราไม่ทำงานหรือไม่มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งให้กับใจเราคือบุญและกุศลนี่เองถ้าเราติดตั้งบุญและกุศลไว้ในจิตใจของเราเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุข จะไม่ทุกข์ไม่รุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามากระทบตลอดเวลาเพราะในชีวิตของเราแต่ละวันเราจะต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งที่ดีและที่ไม่ดีที่ดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะไม่สร้างความทุกข์ให้กับจิจตใจ แต่ที่ที่ไม่ดีนี้แลเป็นตัวปัญหาตัวสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของเราแต่เราอยู่ในโลกที่เราไม่สามารถไปเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีได้สิ่งที่ไม่ดีเราไม่สามารถที่จะกีดกั้นมันได้เช่นเดียวกันเพราะความดีสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเป็นของคู่กันเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้าน มีหัวและมีก้อยถ้าจะเอาเหรียญก็ต้องเอาทั้งสองด้านได้ทั้งหัวและได้ทั้งก้อยถ้าไม่อยากได้หัวหรือก้อยก็ต้องไม่เอาเหรียญเลยฉันใดสุขทุกขที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นของคู่กันโลกนี้เป็นโลกของความสุขและความทุกข์ถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ เราก็ต้องไม่เอาความสุขทางโลกด้วยเช่นพระที่ท่านออกบวชกันท่านเห็นว่าความสุขทางโลกมีความทุกข์ติดมาด้วยเป็นของคู่กันท่านเลยสละความสุขทางโลกไม่เอาเลยเพราะไม่ต้องการความทุกข์ที่ตามมาด้วยความสุขทางโลกก็คือเวลาที่ เราเจริญลาบยศสารเสริญเรามีความสุขกันแต่ลาบยศสารเสริญสุขก็อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมได้เป็นธรรมดาเวลาเจริญเราก็ชอบเราดี อ, อกดีใจเวลาเสื่อมเราก็เสีย อ, อกเสียใจเพราะเราหลงไปยึดไปติด กับเขานั่นเองเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เขามีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์มีทั้งเจริญและมีทั้งเสื่อมแต่เมื่อเราไม่มีกุศลคือความฉลาดไม่มีบุญคือความสุขใจไว้คอยป้องกันใจพอเกิดความเสื่อมขึ้นมา ใจของเราก็เกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาด้วยความทุกข์ด้วยความอะไรอาวรด้วยความเสียดายด้วยความเสียใจด้วยความเศร้าโศกกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเราไม่มีบุญและกุศลมากพอที่จะกันไม่ให้ความรุ่มร้อนของใจเข้ามาได้ เข้ามาสู่ใจของเราได้นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงเห็นความสำคัญในการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างสม่าเสมอจึงได้สอนให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดเข้าวากันอย่างสม่าเสมอเพราะเป็นเหมือนกับการติดเครื่องปรับอากาศนั่นเองเมื่อเราติดเครื่องปรับอากาศไว้ในใจของเราแล้วใจของเราจะ ร่มเย็นเป็นสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะพบกับสภาพอะไรในโลกนี้สภาพที่เจริญหรือสภาพที่เสื่อมก็จะไม่สร้างความนุ่มร้อนไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้ น, ะนี่คือ <c oughs> บุญและกุศลที่พวกเราได้มาทำกันอย่างสม่ำเสมอ เกิดจากการให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนานั่งสมาธิเจริญปัญญานี่เป็นการสร้างบุญและกุศลสร้างเครื่องปรับอากาศสร้างความร่มเย็นให้กับจิตใจการให้ทานก็สร้างความร่มเย็นสร้างความสุขใจให้ได้ระดับหนึ่ง การรักษาศีลก็สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งให้มากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งและการภาวนาก็เป็นการสร้างความร่มเย็นให้เต็มที่เลยเหมือนกับเครื่องปรับอากาศเขาก็มีตัวที่เราสามารถปรับความเย็นได้มีตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลข ห้าหรือเลขสิบแล้วแต่เราจะหมุนไปถ้าเราหมุนไปอยู่ที่เลขต่ำความเย็นมันก็ต่ำถ้าเราหมุนไปที่เลขที่สูงสู ง, สงความเย็นมันก็สูงมากนฉันใดการทำบุญให้ทานการรักษาศีล <c oughs> การภาวนา <c oughs> ก็เป็นเหมือนกับปุ่มที่ควบคุมความเย็นของจิตใจนั่นเอง ถ้าเราต้องการความเย็นให้มากๆให้ได้เต็มที่เราก็ต้องภาวนาเราต้อง <c oughs> ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญปัญญาแต่ถ้าเราทำแต่ทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลหรือภาวนาเราก็จะได้ความเย็นในระดับที่ต่ำถ้ามีความร้อนมากๆ ก็อาจจะไม่สามารถทำให้จิตใจร่มเย็นได้แต่ถ้าความทุกข์ไม่มากก็พอที่จะรับได้ในระดับของทานเช่นเดียวกับศีลถ้าเรารักษาศีลก็เท่ากับเราปรับปุ่มให้สูงขึ้นไปปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิความเย็นของใจให้มีมากขึ้น ก็จะสามารถรับกับความทุกข์ที่ร้อนมากกว่าเก่าได้และถ้าเราสามารถปรับปรุงให้ไปสู่จุดสูงสุดของความเย็นได้ก็จะสามารถรับกับความทุกข์ร้อนต่างๆได้เต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดจากความตายเกิดจากการพัดพรากจากกันถ้าเรามีภาวนาแล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายกับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัดพรากจากกันเลยเพราะใจของเราจะมีแต่ความเย็นอย่างเต็มที่จนความรุ่มร้อนต่างๆที่เกิดจาก การพัดพราเกิดจากการแก่การเจ็บการตายจะไม่มีกำลังที่จะไปทำให้ใจร้อนขึ้นมาได้เลย <c oughs> พวกเราจึงไม่ควรทำแต่ทานอย่างเดียวไม่ควรแต่รักษาศีลอย่างเดียวเราต้องภาวนาด้วยเราต้องฝึกทำจิตใจให้สงบวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ การสวดมนต์สวดมนต์ด้วยสติสวดบทไหนก็ได้ไม่สำคัญบทต่างๆนั้นเป็นเป็นอุบายเป็นเครื่องมือที่จะทำให้จิตสงบไดจจจ้จะสวดยอดพระกันไตปิฎกก็ได้จะสวดอิติปิโสก็ได้จะสวดบทเมตตาก็ได้ จะสวดบทธรรมจักรก็ได้แล้วแต่เราจะจำบทไหนได้ <c oughs> ก็ขอให้สวดบทนั้นไปถ้าไม่เปิดหนังสือดูได้จะดีกว่าเพราะจะเพราะตาจะได้ไม่ต้องไปเพ่งดูตัวอักษรสวดในบทที่เราจำได้ถ้าเราจำบทไหนไม่ได้เลยก็สวดแต่พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้ หรือพุโทโธธรรมโมสังโฆไปเรื่อยๆก็ได้ข้อสาคัญอยู่ที่เวลาสวดไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นเท่านั้นจะสวดบทไหนก็ได้สวดอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ไปคิดเรื่องอื่นคืออยู่กับบทสวดอย่างเดียวต้องมีสติคือต้องรู้อยู่ทุกขณะว่าขณะนี้กำลังอยู่กับสวดมนต์หรือกำลังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วสวดไปพร้อมๆกันสวดไปนานสักเท่าไหร่ใจก็จะไม่สงบเพราะใจยังแกว่งไปแกว่งมาแกว่งกลับไปกลับมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับบทสวดมนต์อยู่ถ้าอย่างนั้นก็จะไม่นิ่งจะไม่สงบใจต้องจ่ออยู่กับบทสวดมนต์อย่างเดียวสวดไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปคิดอย่าไปคาดคะเนว่า สวดแล้วจะได้ผลอย่างไรจะเป็นอย่างไรอย่าไปคิดเป็นอันขาดเพราะคิดแล้วมันก็จะไม่เป็ น, นต้องอย่าไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นอยู่กับบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะรวมตัวลงเข้าสู่ความสงบเวลาจิตรวมตัวลงนี้ก็เป็นเหมือนกับตกลุมตกบ่อตกเขวมันวูบลงไป แล้วก็นิ่งแล้วก็เบาสบายเกิดความมหัศจรรย์ใจบางครั้งบางคราถ้ามันลงลึกๆมากๆความร่างกายเก็จะหายไปจากความรู้สึกเหลือแต่ความรู้หรือแต่ผู้รู้อยู่ตัวเดียวที่เรียกว่าสักแต่วรู้นี่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการสวดมนต์หรือจากการสวดพุทโธธัธรรมโมสังโฆ ไปในใจเมื่อจิตรวมลงแล้วจะพบกับความสุขที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่เราไม่เคยพบมาก่อนเป็นความรู้สึกว่าเรานีไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรอยู่ในจิตในใจเลยไม่มีเรื่องราววุ่นวายต่างๆไม่มีอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับลอยอยู่ในอวกาศคนเดียวแสนจะสุขแสนจะสบาย แล้วเราจะเข้าใจถึงคําที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีความสุขอื่นใดเหนือความสุขที่เกิดจากความสงบความสงบของจิตใจนี้เป็นสุดยอดของความสุขนี่แหละเป็นเหตุทำให้พระพุทธเจ้าต้องสละความสุขทางโลกเพราะพระพุทธองค์เคยได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้มาก่อนก่อนที่จะออก บวชนั้นพระองค์เคยได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจจนมีความเห็นมีความเชื่อมั่นว่าไม่มีความสุขอื่นใดที่จะดีเท่ากับความสุขนี้จึงกล้าที่จะสละความสุขทางโลกในฐานะของราชกุมารที่มีประสาทสามฤ ด, ดู ที่มีทรัพย์มีลาบมียศมีสรรเสริญมีความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลธภัณพะเพราะทรงเห็นว่าเป็นความสุขที่มีความทุกข์ควบคู่ไปด้วยนั่นเองสู้ความสุขที่ได้จากความสงบของจิตของใจไม่ได้เป็นความสงบเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์มาเกี่ยวข้องได้เลยเพราะเป็นความสุข ที่ดับความทุกข์ได้นี่เองความสุขอย่างอื่นทางโลกนี้ดับความทุกข์ไม่ได้เวลาเราไปเที่ยวเราก็มีความสุขพอเรากลับมาบ้านขโมยขึ้นบ้านขโมยข้าวของไปความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปเกิดความเสียใจเสียดายสมบัติข้าวของเงินทองที่ถูกขโมยลักไป วความสุขต่างๆทางโลกนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้นั่นเองต้องมีความสุขอย่างเดียวก็คือความสุขที่เกิดจากบุญและกุศลนี้เองบุญก็คือการทาทานรักษาศีลนั่งสมาธิส่วนกุศลก็คือปัญญาความฉลาดต้องเกิดจากการ พิเพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาคือให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิน้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรจะเป็นวัตถุจะเป็นบุคคลอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นมีความไม่เที่ยงเหมือนกัน เกิดแก่เจ็บตายนี่คือการไม่เที่ยงมีการเกิดมีการดับเหมือนเสียงที่กำลังได้ยินนี้ก็มีการเกิดมีการดับเวลาพูดก็เกิดขึ้นมาพอหยุดพูดเสียงนั้นก็ดับหายไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่สามารถให้ความสุขกับเราไปได้ตลอด เวลาอยู่กับเราเราก็มีความสุขกับมันแต่พอมันจากเราไปเราก็ทุกข์เสียอกเสียใจเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงนั่นเองไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นสมบัติของเราที่เป็นตัวเราเป็นเพียงสมมุติกันขึ้นมาเท่านั้นเองเวลาเราเกิดได้ร่างกายนี้มา เราก็สมมุติว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราแต่อยู่ไปสักระยะหนึ่งก็ต้องตายไปเมื่อตายไปร่างกายก็กลับไปสู่เจ้าของเดิมกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟนะไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นตัวเรานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพินิษพิจารณาอยู่เรื่อยๆ พะถ้าเราเห็นแล้วเราจะได้ไม่หลงยึดติดเมื่อเราไม่หลงยึดติดเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรความทุกข์นี้เกิดจากความหลงยึดติดเวลาที่เราไปยึดไปติดกับอะไรเราจะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นๆแต่สิ่งใดที่เราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่ทุกข์ด้วยเช่นคนอื่นหรือสิ่งของอย่างอื่นที่เป็นของคนอื่น เราไม่เดือดร้อนเวลาสิ่งของหรือคนอื่นนั้นเป็นอะไรไปคนจะตายไปถ้าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเราเราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่ทุกข์ด้วยแต่คนที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเราไปหลงมยึดติดว่าเป็นเป็นลูกเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นพ่อเป็นแม่ของเราอย่างนี้พอเขาเป็นอะไรขึ้นมา เราก็ต้องทุกข์วุ่นวายใจขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่มีกุศลคือไม่มีปัญญานั่นเองเรายังหลงติดอยู่ในสมมุติหลงติดว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาของเราพอเขาเป็นอะไรขึ้นมาเราก็วุ่นวายใจทุกข์ใจแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุเห็นด้วยปัญญาแล้วว่า ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นสมมุติเท่านั้นเองเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันกับธาตุรู้คือใจเมื่อรวมตัวกันก็ปรากฏเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเป็นคนเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกเหล่านี้ล้วนเป็นการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและธาตุรู้คือใจ แล้วก็กลายเป็นนกบ้างเป็นแมวบ้างเป็นสุนัขบ้างเป็นมนุษย์บ้างเมื่อเป็นมนุษย์ก็มีความสัมพันธ์กันเป็นพ่อเป็นแม่กันเป็นลูกกันเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นสามีเป็นภรรยากันแล้วก็หลงยึดติดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งๆที่มันเป็นเหมือนกับการเล่นละครทุกคนพวกเราเกิดมานี่เป็นเหมือนตัวเล่นละคร เขาสมมุติให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาสมมุติว่าคนนั้นคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราเราก็หลงเชื่อเต็มที่เลยพอเวลาเขาเป็นอะไรไปเราก็วุ่นวายใจทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเราไม่เคยสร้างกุศลนั่นเองไม่เคยเจริญปัญญาไม่เคยพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสมมุติ เป็นเหมือนกับเอาดินน้ำเอาเอาดินมาปั้นให้เป็นตัวต่างๆแล้วก็สมมุติว่าตัวนี้เป็นพ่อตัวนี้เป็นแม่ตัวนี้เป็นลูกเท่านั้นเองแต่ความจริงมันก็มาจากดินเท่านั้นฉะนใดร่างกายของเราก็ต่างของเราก็มาจากดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองแล้วเวลาตายไปก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟ ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะไม่หลงยึดติดเราจะปล่อยวางเราจะไม่คิดว่าเป็นตัวเราของเราจะไม่คิดว่าเป็นพ่อเราแม่เราลูกเราสามีเราหรือภรรยาเราเป็นเพียงการเล่นละครเท่านั้นเองตามสมมติที่เขากำหนดกันขึ้นมาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วรู้อย่างดีแล้วรับรองได้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใคร ก็ตามจะไม่มีปัญหากับเราอย่างแน่นอนตายก็ตายไปเป็นอะไรก็เป็นไปเพราะเราไม่ได้ไปยึดไปติดกับเขานั่นเองเรายึดติดอยู่อย่างเดียวก็คือบุญและกุศลเท่านั้นเพราะบุญกุศลนี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นสารณะของเราอย่างแท้จริงถ้าเรามีบุญมีกุศลอยู่ในจิตใจเต็มร้อยแล้ว รับรองได้ว่าเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดอนันตการนี่คือฐานะของจิตใจของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกจิตใจของท่านได้สร้างบุญและกุศลจนมีเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจแล้วก็เลยไม่มีความทุกข์ที่จะเข้าไปในใจได้ ไม่มีความหลงที่จะไปหลอกให้ยึดให้ติดให้ไปเกิดให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆได้อีกต่อไปนี่คืออนุภาพของบุญและกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอถ้าเราทำไปไม่หยุดไม่หย่อนรับรองได้ว่าสักวันหนึ่ง ไม่ชาตินี้หรือในชาติต่อๆไปเราก็จะได้พบกับบรมสุขของพระนิพพานพบกับความสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนจึงขอให้เรามีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและพยายามปฏิบัติตามด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความกล้าหาญด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทนแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้ไปถึงส่วนในปัจจุบันชีวิตของเราก็จะมีความร่มเย็ยนเป็นสุขมากขึ้นจะมีความทุกข์จะมีปัญหาน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะปัญหาไม่ได้เกิดจากอะไร ก็เกิดจากอากุศลคือความไม่ฉลาดของเรานั่นเองที่ชอบไปคว้าเอาเรื่องต่างๆมาให้เป็นปัญหาคว้ามาแล้วก็หลงยึดติดว่าเป็นของเราก็เกิดความห่วงเกิดความหวงเกิดความเสียดายอะไรอวรนเวลาที่มันต้องจากเราไปแต่ถ้าเรามีกุศลแล้วเราจะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆ ถึงแม้เราจำเป็นจะต้องมีอะไรเราก็รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นมีไว้เพื่อใช้สอยให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลเท่านั้นเองแต่จะไม่ยึดไม่ติดเวลามันจะเป็นอะไรจะจากเราไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปโดยดีถ้าเราปล่อยวางได้ใจของเราจะไม่ทุกข์จะไม่เครียดกับอะไรทั้งสิน้นจึงขอ ฝากเรื่องของการทำบุญสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอนี้ให้ท่านได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขและความร่มเย็นของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยในพระพุทธพระธรรมพระสง แะบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแค้วแกรปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเถอ